เห็นความรักเป็นเกมที่มีแพ้มีชนะได้ก็ต้องเห็นความเจ็บใจเป็นเกมที่ขุนเอาชนะได้เช่นกันความรู้สึกเจ็บใจจะไม่เกิดขึ้นนานหากเล่นเกมใดแพ้แล้วมีโอกาสแก้ตัวทันทีไม่ปล่อยให้ใจจมอยู่กับความคิดว่าแพ้นานนัก เมื่อตีปิงปองเอาเงือเล่นบอลเอาฮาจบเกมหนึ่งเริ่มเกมใหม่ได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงแม้รู้สึกแย่นิดหน่อยก็มีเกมหน้าให้เกิดคำว่าแก้ตัวใหม่และแก้ตัวใหม่ในหัวไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงชีวิตเต็มไปด้วยเกมที่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เล่นใหม่ทันทีแล้วก็มักออกแนวได้แล้วได้เลย เสียแล้วเสียเลยตรึงแน่นอยู่ในความทรงจายืดเยื้อกว่าจะแก้ตัวใหม่ได้ต้องรอกันยาวตัวอย่างเช่นเกมการเรียนสอบได้เกรดใดเกรดนั้นจะอยู่ในใจไม่เปลี่ยนถ้าแก้ตัวก็ต้องพยายามกันใหม่เทิมหน้าแถมผลงานไม่หายไปไหนอย่างไรก็ต้องเอามาคิดเฉลี่ยตอนเรียนจบเสียด้วย มองเดียวกับเกมการเงินขาดทุนบางครั้งแค่ทำให้เสียดายแต่ขาดทุนบางคราวหมายถึงหมดตัวต้องเริ่มใหม่หรืออย่างเกมความรักเลิกกับใครบางคนแค่ยิ้มไม่ออกไปสามวันแต่เลิกกับใครอีกคนเนี่ยอาจถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือได้ถ้ามองใหม่ ไม่เล่งอยู่ว่าคุณเล่นเป็นเกมเกมแต่เห็นให้ได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตคือเกมเป็นเกมชีวิตเกมทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเกมใหญ่สุดคุณต้องเล่นเกมย่อยอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเกมกีฬาเกมการเรียนเกมการเงินเกมความรักคุณจะเห็นความจริงประการหนึ่งคือแต่ละเกมย่อยที่เล่น จะทิ้งความเจ็บใจไว้เสมอแพ้หนักๆเจ็บใจมากแพ้เบาๆเจ็บใจน้อยนี่หมาความว่าเมื่อใดระลึกถึงจิตเท่ากับเมื่อนั้นคุณระลึกถึงเกมใหญ่ของชีวิตนั่นเพราะจิตเหมือนสมอระูมรบความเจ็บใจเหมือนศัตรูถ้าคุณตัดสินใจลงเล่นเกมนี้ ก็เท่ากับคิดเล่นเกมเอาแพ้เอาชนะที่มีสาระที่สุดในชีวิตทั้งเกมกีฬาเกมการเรียนเกมการเงินเกมความรักจะผลัดกันส่งความเจ็บใจมาให้คุณฝึกเอาชนะทุกวันเบื้องต้นที่ยังเล่นไม่เก่งก็จะพบว่าตัวเองแพ้ตลอดคือพอเจอความเจ็บใจ คุณจะคิดถึงเรื่องที่ทำให้เจ็บใจไม่เลิกเป็นทุกข์เหมือนอกกลัดหนองได้ทั้งวันแถมยิ่งเจอความเจ็บใจจากเกมโน้นทีเกมนี้ทีก็ยิ่งทับถมมากขึ้นเรื่อยๆต่อเมื่อคิดเล่นกับมันด้วยการสังเกตเล่นๆเรื่อยๆคุณจะพบกับรายละเอียดที่นา่าแปลกใจเช่น สังเกตว่าความเจ็บใจเกิดขึ้นเมื่อใดขณะหายใจหรือพักหายใจส่วนใหญ่คุณจะพบว่าเริ่มเจ็บตอนพักหายใจไม่ใช่ขณะหายใจโดยเฉพาะขณะหายใจเข้าออกยาวๆจนวนความเจ็บใจยากจะถูกจุดขึ้นมาได้ สังเกตว่าคุณมีความสามารถในการยอมรับว่าเกิดความเจ็บใจได้แค่ไหนส่วนใหญ่คุณจะรู้สึกเหมือนถูกทิ้มแทนไม่อยากยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกลางใจอยากถอนความเจ็บใจด้วยการแก้แค้นเอาคืนหรืออย่างน้อยที่สุดก็คิดสาปแช่งใครสักคนให้ตายดับแต่หากใจเย็น รับรู้อาการคันขยิกกลางอกจากลมหายใจนี้ถึงลมหายใจหน้าคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสามารถในการยอมรับซึ่งก็คือเห็นความปรากฏอยู่ของอาการเจ็บใจโดยไม่ทุรนทุรายไม่อยากคิดแค้นสาดแช่งใครสังเกตว่ามันอยู่ในใจนานเพียงใดคือหลังจากยอมรับการมีอยู่ของความเจ็บใจ โดยไม่ทุรนทุรายคุณจะเห็นความจางลงเรื่อยๆของมันไปเองโดยไม่มีความอยากเร่งรัดไม่มีความรู้สึกรีบร้อนใดเข้ามาแทรกเพียงข้อสังเกตสประการดังกล่าวอันได้แก่ความเจ็บใจเกิดขึ้นเมื่อใดความสามารถยอมรับอาการเจ็บใจ และความจางลงของความเจ็บใจเที่ยงนี้ก็เท่ากับคุณมีอาวุธที่ดีที่สุดที่จะเล่นเกมกับมันแล้วและนี้เป็นกลเม็ดที่เด็ดขาดที่สุดได้ผลเร็วที่สุดได้ผลจริงที่สุดเมื่อเล่นเกมกับความเจ็บใจคุณมีโอกาสแก้ตัวบ่อยแพ้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวไม่นานก็มีมาให้เล่นใหม่ ไม่ปล่อยให้คุณต้องจมอยู่กับความคิดว่าแพ้นานนักรบกับคนอื่นชนะแล้วได้ความพึกเฮิมวุบวูบวักวาีไม่ดีบางทีก็ได้ความโง่เป็นของแถมแต่รบกับความเจ็บใจของตัวเองชนะแล้วได้ความสุขความปลอดโปร่งยืนยาวและที่สุดจะได้ความฉลาดทางใจเป็นรางวัลขั้นสูงสุดด้วย หัวยุ่งเพราะงานอย่างน้อยก็ได้เงินฟุ้งซ่านเรื่องแฟนเก่าไม่ได้ทั้งเงินอาจเสียทั้งงานและโอกาสหาแฟนใหม่หัวยุ่งเพราะงานดีกว่าฟุ้งซ่านเพราะแฟนเก่าเพราะถ้าคิดเกี่ยวกับงานเป็นระบบ เนื้องานก็ขยับคืบหน้าไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงพาความรู้สึกและจิตใจให้เป็นเส้นตรงตามหรือต่อให้คิดเกี่ยวกับงานไม่เป็นระบบอย่างน้อยก็มีจุดหมายข้างหน้าให้เดินไปอาจตรงบ้างอ้อมบ้างวนบ้างพักบ้างอย่างไรจิตใจก็ไม่ย้ำอยู่กับที่แน่แต่ถ้ายังย้ำคิดเกี่ยวกับแฟนเก่าอยู่ไม่เลิก ทั้งที่ตกลงกันว่าเลิกแน่นอนแล้วไม่เห็นทางกลับมาคืนดีกันจริงๆแล้วเช่นนี้จิตใจก็ไม่มีวันขยับไปไหนได้ไม่มีแม้จุดหมายที่พลาเลือนมีแต่การพังระบบความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆด้วยการสุ่มคิดถึงภาพเก่าๆแบบไม่มีลำดับเวลาไม่มีอะไรประกันว่าจะเอาเรื่องดีหรือไม่ดีมาตอกยำ้ำ ชีวิตมนุษย์มีทั้งเครื่องฝึกจิตและเครื่องทําลายจิตสุดแต่จะคิดเลือกยึดอะไรไว้กับตัวคำว่าช่วยไม่ได้อดคิดไม่ได้เป็นแค่ข้ออ้างของคนที่มัวงมโคงขี้เกียจฝึกหรือยอมปล่อยให้อีกวันผ่านไปแบบสะดุดใหญ่ๆแทนการพยายามเดินไปข้างหน้าต่ออีกสักก้าวเล็กๆ ก, ก็ยังดี